กามาสุขของมนุษย์ของสวรรค์และความสุขที่ดีกว่านั้นเพื่อเสริมความเข้าใจจะนําคําชี้แจงทางธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหล่านี้มาแสดงไว้ตามสมควรด้วยพระพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายกามาคุณมีห้าอย่างดังนี้คือรูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตา เสียงทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยกายซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้อยากเ ย, ย้ายวนชวนติดใจเหล่านี้แลคือกามคุณห้าอาศัยกามคุณห้าประการเหล่านี้ มีความสุขความช่ำใจคือโสมนัสใดเกิดขึ้นนี้คือส่วนดีคืออัาธะความหวานชื่นของกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามมาสุขคำว่ากามโดยหัวข้อได้แก่กามสองอย่างคือวัตถุ ก, กามหนึ่งกิเลสกามหนึ่งวัตถุ ก, กามเป็นไนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชื่นชอบใจเครื่องลาดเครื่องหม่มทาสีทาาแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีรัฐประเทศกองทัพคลังหลวงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามชื่อว่า วัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดประณีที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บรรดาลเอง ที่ผู้อื่นบันดาลให้ที่ครอบครองที่ไม่ได้ครอบครองที่หวงแหนท <fps> vast vast ี่ไม่ได้หวงแหนทาที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมดทาที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมดทาที่เป็นอารูปาวจรแม้ทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นอารมณ์ของตันหาชื่อว่ากามด้วยอัตถว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอยาก ด้วยอัตถาว่าเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเหล่านี้เรียกว่าวัตถุ ก, กามกิเลสกามเป็นไนความพอใจก็เป็นกามราคะก็เป็นกามความชอบใจติดใคร่ก็เป็นกามความดําริก็เป็นกามราคะก็เป็นกามความครุ่นคิดติดใคร่ก็เป็นกามกา ม, มาฉัน กามราคะกามนันทิกามตัณหากามสเสนหาความเร่าร้อนกามความหลงไหลากามความหมกมุ่นกามกามท่วมใจกามผูกรัดใจความถือมั่นในกามนิวรนคือกามฉันกามในข้อความว่านี่ในกามเราเห็นรากเง่าของเจ้าแล้วว่าเจ้าเกิดจากความดำริ เราจกไม่ดำริถึงเจ้าละ่ะเมื่อทำอย่างนี้เจ้าก็จกไม่มีเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามในมหาตันหาสังคยสูตรมัชจิมานิกายมุลปันนาฏพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการจึงมีการตั้งคันเมื่อใดบิดามารดาอยู่ร่วมกัน มานดามีระดูทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการอย่างนี้จึงมีการตั้งคันมานดาอุ้มท้องประคับประคองคันนั้นตลอดเวลาเก้าเดือนบ้างสิเดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากทั้งเป็นภาระอันหนักครั้นล่วงเวลาเก้าเดือนหรือสิเดือนแล้วมานดาก็คลอดทารกในคัน ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากอย่างเป็นภาระอันหนักแล้วเลี้ยงถารกที่เกิดนั้นด้วยโลหิตของตนภิกษุทั้งหลายในธรรมเนียมของอริยชนถือน้ามนมของมารดานิว่าคือโลหิตในอุปาลีสูตรอังคุตรนิกายทัศกานิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอุบาลีว่าเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนหงายแบ่บา ย่อมเล่นแม้แต่อุจจาระปัสสาวะของตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่เส้นเชิงใช่หรือไม่ท่านพระอุบาลีกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นแหลอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น ย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กคือเล่นไถน่น้อยเล่นตีไม้หึงเล่นหกเมนเล่นกังหัน น, น้อยเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยเล่นธนูน้อ ย, เ, นนอยเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและประนีดกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ท่านพระอุบาลีกล่าทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินสีทั้งหลายแก่กล้าขึ้นมีการมาคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบ ม, มเรอตนได้รูปทั้งหลายด้วยเสียงกลิ่นรสโพธพภะทั้งหลายซึ่งน่าปราถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนให้รักชักให้อยาก เย้ยยวนชวนติดใจเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและประนีดกว่าความสนุกอย่างก่อนๆใช่หรือไม่ท่านพระอุบาลีกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าบุคคลผู้สูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษย์ทางฝ่ายครือขัดก็คือพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมได้โพคสมบัติทุกประการ และตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสงเยี่ยมด้วยโด ย, น, ยนิย่านี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขพรั่งพร้อมมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุด ข, ของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอื่นๆ ให้เห็นลำดับขั้นความประนีตของความสุขทั้งหลายพระเจ้าจาักรพรรดิตามอุดมคติทรงมีรัตนเจ็และฤทธสี่ประการรัตนเจประการคือทรงมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอํานาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมและประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็ยนออกไปได้ทั่วผืนแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้งสทิศ ด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นทรงมีช้างแก้วและม้าแก้วซึ่งสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจดูพระราชอาณาเขตทั่วผืนแผ่นดินได้หมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วทรงมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะให้ยกทัพใหญ่ไปยามราตรี หรือให้ราษฎรทํางานในยามค่าคืนดุดเวลากลางวันก็ได้ทรงมีนางแก้วซึ่งนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหนือกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษดังคําพรนนาว่านุ่มนวลละมุนดังสำลีหรือปุยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์ กลิ่นป่าก็หอมดังกลิ่นบัวอีกทั้งพูดเพราะรู้จักปรนิบัติทูกพระไทยทุกประการทรงมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปสามารถหาเงินทองมาให้พระองค์ใช้ได้ตามพระไทยปรารถนาและทรงมีปริญญายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคาแนะนาในข้อราชการต่างๆได้ถูกต้องเท่านั้น ยังสามารถบัญชางานสั่งราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธ์หรือสำริติคุณสี่ประการก็คือพระเจ้าจักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสงา่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของประชาชนา ซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราชนดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนไหนประชาราชนจะเฝ้ารับเสด็จและอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะพบปะกับประชาราชนา น, นานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีกว่าเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้ว ตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะทรงมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้เพียงเศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆ ก, ก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาฮิมาลัย ถึงแม้ทิพยสุขในสวงสวรรค์จะเป็นการมาสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามาสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ประณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพยสุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสร็จจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความสุขพรั่งพร้อมบริบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้น หรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่สวยทิพยสุขมาเห็นมนุษย์เสพสุขที่สามกว่าจะไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกอินดีอยากได้แต่อย่างใดและไม่ใช่เพียงการมาสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพยสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าแล้วในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าส่งเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่าง ดังบาลีในมาคันธยสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาสพระองค์ได้ตรัสกลับมาคันธยะปริภาชกว่าดูก่อนมาคันธยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่ อ, อยังครองเรือนอยู่มีกามาคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพัพะทั้งหลายที่หน้าปราถนาหน้าใครหน้าชอบใจ ชวนให้รักชักให้อยากเย้าวยวนชวนติดใจเรามีปราศาสตรสามหลังปราศาสตหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราศาสตรหนึ่งสำหรับฤดูหนาวปราศาสตรหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนเลยอยู่ในปราสาสตร์ประจรําฤดูฝน ไม่ต้องหลงจากประสาทเลยตลอดเวลาสี่เดือนสมัยต่อมาเรานั้นได้ล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามความเป็นจริงจึงละกามตันหาบรรเทาความร่านรนเพราะกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีจิตสงบระงับภายในเรานั้น มองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามาตัญหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเซพเ ส, สเวยกามทั้งหลายอยู่ก็ไม่ได้นึกไฝ่ทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเราเรื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงไม่ไฝ่ทยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมากันทิยะเปรียบเหมือนว่าขฤรือหบอดีหรือบุตรขฤรือหบอดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์มีโผคะมากมีกามกุลทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอับซรมีกามาคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปลนเปลอยอยู่ในสวนสวรรค์นันทวันเทพบุตรนั้นมองเห็นคเรืห บ, บดีหรือบุตรคเรืห บ, บดีที่มีกรรมคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่ เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีหรือฝ่ายทยานต่อกรรมคุณทั้งห้าอย่างของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงการมทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่มาคันธยะปริภาชกกราบทูลว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดก็เพราะการมทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่า ประนีตกว่ากามทั้งหลายอย่างของมนุษย์พระพุทธญาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนมาคันธยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกฝ่ายทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเราเรื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพยสุขจึงไม่ฝ่ายทยานต่อความสุขที่สามกว่า ไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้น